พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9กรกฎาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าเป็นพระให้อยู่แบบพระเออมาใน เ, เป็นวันที่เก้า กรกดาคมพุทธศักราช2556วัดเท่าช่วงในรู้สึกว่าจวนจะขอพันษา เ, เตรียมการเพราะว่าการขอพันษาเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระสงฆ์ทีเดียวผู้ที่บกเคยขอพันษากห้ทองค่ำ อธิษฐานพันษาไว้เน่ายาได้ขาดตกบกพร่องพาาระเก่าต้องแนะนําวิธีแสดงอาบัติวิธี อ, อ, อธิษฐานพันษาหนากกักเท่กันกันพ่อหนักผู้ใดได้แล้วครับพระพ่เลี่ยงก็ต้องยัดเยียดวิธีแสดงอาบัติวิธีขอนิสัยจากพระอาจารย์วิธี อ, อ, อธิษฐานพันษา พระพีเลียงต้องม่องไกลๆเหยียดให้เว้าพอมกันให้ได้ว่าแมนจะหอดมือน่นก็จะบอไปทีละอันละอันอันนั้นแปลว่าพระพีเลียงสายตาสั่นมองบ่อไก่มองบ อ, กก อ, งบอย้าวมันต้องมองยาวๆแล้วก็พอมกันที่ผักผ้าอาศัยอ๋อจังไดแล้วก็อย่างที่ว่า พระลูกหลานได้มาช่วยงานปีนี้เราว่าเปิดเปิดเหตุงานในปีนี้วัดเท่าเปิดงานปีนี้ตะกอนมากเขาบอกคอยได้เหตุงานอย่างพวกเล่าลู่เหตนะุเห็นกันน่ะเหตุงานาราุ่มมรกอกแ ก, ก๊กแต่ปีนี้งานใหญ่เข้าสั่งอาคา้ า, สารสั่งซาลาแต่ก็สั่งแบบเรียบง่ายแต่ถึงจะใหญ่ก็ใหญ่แบบเรียบง่ายเข้าปฏิเหต กี่สัน้นว่ามีตุกเตะยังไม่แต่มีมุ่งลังค่าแล้วกัเทพื้นสำหรับให้พวกเราได้พึงพาอาศัยในเมื่อคนมากมากเนี่ยก็ต้องอาศัยวัดสาขาที่เขามาซอยยังสาลาท่กันนะ่ท่านหน่อยท่านไพบูญท่านบุญ ท้งกุฎีลงพอกับลงตาชาลี่ท่านเฉลิมวัดที่เป็นเครือข่ายสาขาขเขามาซอยๆกันเบิ่งแต่บ่จวนจะก่อมั่นสาแลวก็ตรงกับไปจับมัรนสาที่วัดของเจ้าขอ ง, ของก็จะหลายองค์อยู่เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สามสิบแปดลูกก็ออกไปอีกประมาณสักเนี่ยมาทำก็ศลหาลูก หาฮกลที่ไม่ซอยงานแล้วก็นากเตรียมที่จะบวชนะะ่ยขอประมาณ10หรือ11บเอพระใหม่ปีเนี่ยทีม่มองเห็นเนี่ยแต่บวชกร น, นา น, นี้ก็ต้องเว่ากันก็ต้องวาพราะมันบวชกอนแล้วแต่ในบวชจะขอวันสาวันที่1ิบที่จะถึงเนี่ยแล้วก็วันที่20่สส เป็นวันขอพรรษาวันพะที่จะจำพรนษาในวัน า, นาเท่าปีนี้นั้นอนะวันอธิษฐานพรรษานะจึงจะชัดเจนแบบมีสักองค์มากหน่อยติดไปจังไนอยู่จังไนเหตุจังไนยังคอยวากันอีกมือนั่นละ่ะมืออธิษฐานพรรษาถ้าห้ายก็ดี ถ้าน่อยก็ดีแต่บางคนก็าบอกว่าเรต้องการหลายดอกต้องการหน่อยจึงพูดจึงสันก็มีแต่ในใจมันเป็นยังสันบอ่อของบ่หงแต่บางคนก็าบอกหลายนี่มันหนุ่งยากคุณไหว้กระจเป็นยังสันบอ่อมันก็มีอยู่คือกันนะั่นแหะธรรมดาธรรมดาหลายมันก็ต้องหนุ่งเนี่ยหนุ่งยากคุณไหว้ น้อยมันก็ชาวใบแนวนึงมันก็มันก็โพดีอีกแนวนึงเฮ้าตรงหน่อยเรือหลายกระชุดแทะแต่ผูดีจะมาจำรับลุงพ่อเองหน่อยก็ได้ร้ายก็ได้แต่ว่าตามไม่จริงทะลายเกินไปเฮ้าของหูจักกาลังเฮ้าขึ้นกันถ้ามันลายเกินไปโอ้ขอใยจักรนะ่าจะเฝ้ามาหลายปนี้เดี๋ยวมันโพดไปรับบาไหวนักเฮ้าก็ต้องบอก กันขนาดใดขนาดหนึ่งที่เคยรับกันอยู่อเอ้ามาพอต่อไปไพ่ภาคหนานเนี่ยหลวงพ่อเบาแล้วเบาอีกที่เป็นท่ายาดเรียว่าเป็นผู้สืบทอดพระพุทธาศาสนาต่อไปไพ่ายภาคหนาก็ลูกล้านมูลนี่แหละถ้าว่าห้าวปู่ป๋ฝังไหวหมอต่อสืบเนื่องไหวพระพุทธาศาสนาจิจะหายไพล่ะเป็นผู้สืบทอด มดเข่าแล้วก็มัน้าแล้วล่ะตามไม่จริงมั้กันหาจะสืบทอดไปอีกเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดมาจากผู้เขาไหลม า, ต, ล า, มาตั้งสองพันหาอร่อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ขังพระพุทธเจ้าไหลามากเอื่อยมาตลอดม า, าถึงยุคเข้านี่ไปทางปลาทางหลงจนน้ำว่าไหล เป็นจังสันมันสีแมนบอ ball, ในยุคเฮ้าเนะ่ยเฮ้าของขุนจะรักษาธรรมชาติรักษาแรงน้ำให้อยู่ตลอดไปให้ชั่วลูกชัวร์หลานให้น่านที่สุดจังสันมันยังคอยแมนบอแมนที่มาถึงยุคเฮ้าแนละ้วยบ่งจักคุณค่าของน้ำถางปลาถางถุงจนน้ำแหง้งจนถมล่ำคล้องไปว่าจนน้ำผมไมีสะ ก, กิน่ะ เมดแห่งไปศาสนาในจุกของเ้าก็เลยเมดไป อ, าอ่านาก็บ่นาจะมันหาจะถูกต้องะพวกเ้าก็จะต้องช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลถึงจะเป็นอย่างไรก็าตามที่หลวงพ่อเคยพูดเคยเบาให้พวกเข้าได้ศึกษาปวายุคนั้นสมัยนี้คน้นชั่วค้นดีระชั่วระดีมี ตามตลอดมากแต่มาพระในขังพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยขืนมากกดระเบียบขืนมากสินสองร้อี่สิบข้อมากกว่านั้นอีกต่างหากแต่ว่าศินอภิสมาจารกะเหตุเพราะเหตุใดกระเพราะพระกระทําความผิดในเมื่อพระกระทํำความผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัย พ่อบัญญัติวีไน่แล้วพระจีวะเฮ็ดพิษอีกแม่นบอก็บอเป็ี่ยนยังซันอีกคือกันไอผู้ที่ดื้อดันก็มีแต่ว่าผู้ที่มูจักกดระเบียบเราก็เข้าลบกดระเบียบเบฮ็ดไอผู้บางบางข้นก็ฟาฝืา น, ฝานกดระเบียบก็มีการฟาฝืา น, ฝานกดระเบียบนะคือกันกับยุคนั้นสมัยนี้คือกฎหมายบ้านเมืองเขาบัญญัติออกมาแล้ว ผ่านรัฐสภ า, าออกมากตราออกมากแล้วประกาศเป็นกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายของประเทศแล้วแล้วคนมาทําความชั่วคนมาถ้ำความพิดเลยใช่ไหมเ mm hmm. พราะหุ่นกฎหมายประกาศออกมาแล้วนะ mm hmm. ก็บฏนาเป็นยังสั่นอีกคือกันยังพวกเล่าเล่าทันทันทั้งหลายได้เห็น <Okay. S 1> ยัางมีภูบอคอรบกฎหมายแล้วก็ล่วงเกินกฎหมายท้าพิษกฎหมาย ก็มีมากต่อมากจนเจ้าจับเขาคุกเขาตาล่างแต่บางคนก็เขาหูบ๊บว่ากฎหมายเป็นหนึ่งสี่ <c oughs> บางที่ก็นักกฎหมายเองนักการเมืองเองรู้ทั้งรู้แต่ว่าสู่กิเลสลาคะโทษสะโมหะโลภโกรธหลงของเจ้าของบอ่ใดก็เลยท่ำความส่วนเสียหายทั้งที่รู้กฎหมายของประเทศชาติว่าจากไหน อันนี้คือกันนั่นแหละในยุคสมัยขังพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทางที่ลู่รักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ผู้หลวงเกินผว้หลวงละเมิดก็มีแต่ผู้มีเิริอิตโอ ต, ตปะผู้มีความละอายแก้ใจพอพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็เข้ารบในสิขาบทวินัยเข้ารบในรักพระธรรมวินัยมาก อที่ภูบอเขารพในรักทำไม่ได้ก็มีก็คือกันกับคนพนลเมืองของประเทศไทยของเฮ้าเนะ่ะถามว่าหลวงละเมิดพิษกฎหมายมั้งก็คุกก็ข้องโจมมีหม่องสีใสขึ้นกันคนถึงหกสิบหลานคนอนะ่ยคือคนที่มันหลวงละเมิดมันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเขาก็จับเขาคุกเขาไปค้างไว้คนบมดี นี่คือกันนะพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี่คือกันพระมีท้งหมดเท่าไรในเมืองไทยประมาณหก0สน 6, ลูกทั้งพระทั้งเน่นพระคนหกสิบหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยพระสงฆ์ในประเทศไทยประมาณหกแสน 6, กว่าลูกในหกแสนกว่าลูกเนี่ยผู้ที่กระท่ำความพิษเนี่ยมากไหมก็มีส่วนมากน้อย อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นกมีแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่อยู่ในตำลุงท่งศาสนาผู้ที่อฮีโอตปะผู้ที่อยู่ในท้ำคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้ากมีเมีมากขณะว่ามั่นสัวทั้งหมดมันคือเสียหายทั้งหมดก็บ่หนาเป็นอย่างสั่นขึ้นกัน ที่ปอดอ้อ ย, ยสร้อยเฉลยจนบ่มีเอียงเฉลยแอบบริสุทธิ์บริบูรณ์เฉลยก็ บ, บ่อนาจะเป็นยังสั้นอีกคือกันเพราะนั้นสิ่งเรานี่ที่พูดให้ฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรูอ้อย่าไปถูกใจในเมื่อผู้อื่นทาความชั่วให้เบิ่งเจกของมันเนี่ยเฮ้านีซัวจังสั่นบ่พระเฮ้ า, านี่เป็นพระซัวจังสั่นบ่เฮตุพิษจังสั่นบอ่อ เมื่อเขาเฮ็ดพิษแล้วเขาไปยังไดเข้ายินดีครับเขาบอที่เขาเฮ็ดพิษโอ้ดีแท้ๆอีกสักมือหนึ่งขาจะต้องเป็นยังเขานี่หละเอาจังสันบเรื่อว่าโอ้เมื่อเฮ็ดพิษไปแล้วบานาเฮ็ดจั ง, จงสันพีนองตัชาชนัท่าหาดย่มพุทธท บ, บริษัทสีตำนี้การกระถ่ำของผูกกระถ่ำนั้นัพิษเหลืองนั้นัมันบานาจะเป็นยังสันทำให้เสียหาย เฮาบุกขจะเกิดขึ้นในเรื่องแบบนี้แบบนั้นสิ่งเรานี่เฮ้าก็ต้องเบิ่งจบของให้หันมาหาจบของเบิ่งจบของคันนาวพวกเฮ้าทุกคนเบิ่งตัวเองดูตัวเองสิ่งไหนที่มันคิดผิดคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเฮ้าก็ควรจะห้ามปลามตัวเองคิดดีทำดีพูดดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นแต่จะไม่มองแต่ผู้อื่นตลอด กัปปว่าดแต่มองผู้อื่นก็มองมองเป็นตัวอย่างเขาทําความซัวเป็นตัวอย่างที่ความซัวเฮาสิปะเฮ็ดกัณผู้ไดเฮ็ดเป็นตัวอย่างที่ท่างดีให้เฮาเบิงเฮาเบิงตัวอย่างอีกเป็นโอ้อันนี้เฮาควรจะปฏิบัติตามเพิน่นอย่างองค์หลวงตายจริงๆแหละเป็นผูเสีอสระเป็นผูเด็ดเดียวเป็นผูมุงมั่นในอัดในร้ำเป็นผูเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผูมีความกระตันยู่เต้าเวทีตาโตพอแม่คู่บาจานอย่างอง์หลวงตาเขารลบหลวงปูหมันหนึ่งทีละพวกห้องไปเห็นเวลาเพิ่นไปชงโค้งจุดท้ายเนี่ยขนาดอาการเพิ่นป่วยพ้นก็ยังไปกราบไปพิธภัณฑ์หลวงปูหมันอยู่สกลนครทั้งที่เพิ่นกาบอยู่ไสก็ได้กราบอยู่กาบอยู่ใสก็กกสกถึงหลวงปูหมั่นมัดใจของเิธนเพิ่นบริสุทธิ์เลยเด้ใจหลวงตาบริสุทธิ์ ใจหลวงปู่หมันกับบริสุทธิ์เพื่อนทีกราบอยู่ไซก็ได้เอาหนะักไปแต่เพิ่นเป็นยังยังไปกราบอยู่วัดชุดเทาวาดพิพิธภัณฑ์ก็บพเหตุว่าแสดงให้พวกเฮ้าทั้งหลายได้รู้ได้เห็นถ้าว่าเพิ่นกราบอยู่ือื่นเฮ้าก็บูหูแล้วเพื่นกราบยังอันนี้เพินเ่นไปกราบ พ, พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หมันอยู่สกลนครนะแสดงออกให้เฮ้าเห็นเฮ้ารู้ได้ว่าเพิ่นนี่เข้าบรบหลัก จงรักผักดีแสดงความกระตันยู่กระตเวทีตาต่อพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของเพลนเพราะวเพลนได้อัดได้ทามาจากหลวงปูมันบานนี้หลวงปูมันเป็นผู้เป่ากระมอมเพินเสกของเพินขึ้นมาจนเป็นทีพ่อใจวันนี้หละคือพ่อแม่คู่บาอาจารย์ที่เปิดกุญแจให้ถึงมักถึงผลมักผลนิพ่าน เป็นที่ภาคผูกใจที่เราได้รู้ได้เห็นถ้ำนี่แหละเวลาเพิ่นไปกราบกราบด้วยความอ่อนนอ้อมกราบด้วยความอถึงจิตถึงใจพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในขณะที่หลงตาเพิ่นกราบรูปเหมือนลงปูมันอถ้าว่าพวกเข้าเบิ่งอีกเนี่ยเขาถ่ายวิดีโอไว้เพิ่นกราบด้วยความซึ้งถึงใจจริงๆนี่แหละอันนี้ก็คือ ความแสดงความกระตันยูกกระตะเวททิตาต่อครูของเพิินคือเวลาหลวงปูหลวงตางเป็นกับเรียกชื่อหลวงปูหมันเป็นว่าพ่อแม่คูู่บาอาจารย์เป็นพ่อแม่ด้วยเป็นครูด้วยเป็นอาจารย์ด้วยพ่อแม่คู่บาอาจารย์อันนี้คือความเคารพรักนี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างสรุปเลยคือพู้ที่พวกเข้าท่านหลายฟังนี่ยก็คือโบแมนจิให้เคารพหลวงพ่ออินโบแมนจังสันถึงจะเป็นไผ่ก็ตามที่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นว่งสาคนาญาติเป็นครูบาอาจารย์พวกเข้าที่ให้ธรรมะกับเข้าที่เข้าสึงในธรรมะเข้าถึงใจในการฟั่งธรรมะของเพลินเข้าก็เคารพรักอยอมรับอันนี้ก็คือเป็น ผูมีประคุณแต่ว่าการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าการแนะนำสั่งสอนว่แมนสีผู่มีอำนาจวาสนาบุญนักสักยใหญ่เท่านั้นฟังเว้าแล้วก็เชื่อองนันมัดองอื่นบ่เชื่อก็บหนาเป็นยังสัน่นเพราะเหตุใดก็เพราะนี่ละอย่างภาษาลิบุตรนี่สเพิ่นก็ได้รับธรรมจากพระอาจรยชี้ี่อสอย่างพระอนนนี่ เพิ่นได้บวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้แต่เมื่อบวชแล้วนะเพิ่นก็ได้ฟังธรรมเทศนาจากพระผู้มีได้รับเอเสตะคะว่าจ่าที่ไพรเลาะนะเพิ่นก็ได้สําเร็จพระโสดาบันจากพระองค์นั่นพระเทระท่านนั่นทั้งที่พระอ น, นุนจะนานาจะได้สําเร็จพระระหันต์ต่อพระภักพระพุทธเจ้าพระโสดาบัน ได้สำเร็จพระสูดาบันกับองค์นั้นแต่เพิินในตําราเพลินบาวาจังสันเพลินว่าได้สาเร็จพ่อถึงฟังธรรมก็ซึ้งเมือซึ้งใจถึงใจจากนั้นก็รู้ได้สําเร็จพระสูดาบันกับพระมัณฑ น, นีชื่อว่าพระมัณฑ น, นีบุตรเถระติดสัทธิระนะพอก็จําบวชชัดนะแต่ว่าพระมัณฑ น, นีที่พระอานอนที่ได้สําเร็จพระสูดาบัน กับเพิร์นอ ง, ง น, นั่นนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สยามผู้แต่ว่าเวลาการเทศนาเป็นคล้ายๆกับว่ามั่นเข่ากันกับองค์ใดองค์หนึ่งที่เพิ่นเพิ่นฟังแล้วถึงใจถึงใจซึ่งใจในการฟังธรรมเทศนานี่คือคือกันนั่นแหละการที่เฮา โกเ้าทันทั้งหลายที่ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่คู่บาอาจารย์องค์นั่นบงังองค์นีบงังองค์ไหนที่ฟังแล้วเออเข้าใจซึ้งในใจปฏิบัติ ต, ตามเห็นรูกแจง้งเห็นจริง ต, ตามแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อในศึกษามาทั้งคู่บาอาจารย์หลวงพ่อวัไร่ปามาดหลวงปูหลาหลวงปูจามคู่บาอาจารย์ที่ได้ศึกษาเลียนรูมาก แต่หลวงพ่อเนี่ยได้รับความรู้ความฉลาดหรือว่ารับแนวความคิดจากองค์หลวงตาเนี่ยมากกว่าทุกองค์หลวงพ่อพูดจังสันได้เพราะแนวความคิดหรือว่าชั่นเชิงลี่ลาว่าทะว่าจ า, าแน่วการเด็ดเดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อยึดแนวแถวของหลวงตาหลวงตารู้สึกว่าจะไปได้ เออแต่ว่าคูบาลอาจารย์เรานั้นเราก็บริประมาสตร์เราก็เข้ารบชุดใจขึ้นกันอแต่ว่าหลวงตานี่ยแต่คู่บาลอาจารย์เหล่านั่นขึ้นกันยังหลวงปู่า ล, า, า, ลาเนี่ยเข้ารบหลวงตายขึ้นกันว่าหลวงตานี่เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่หลวงตันทลวงปู่หลายอมรับในเมื่อคู่เฮายอมรับแ เ, เหรอเ้ากฎมาสังเกตุขึ้นกันเฮาสังเกตุว่าสมพพคู่เฮายอมยอมรับเนี่ แหมย่อมรับบาท่านย่อมรับว่าเป็นคู่บาอาจารย์แล้วเข้าเป็นลูกชิแล้วเข้าจุภยย่อมรับอย่างไรเขาก็เพิ่งสังเกตอีเออใช่แมนยังคู่ถึงยังที่คู่เข้าย่อมรับอิหรีเนี่ยแหเปิลเป็นภูตรงไปตรงมาเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์อิหรี่ลงตามหาบัวเน่ยะเป็นสันแหละอันนี้เขาก็ต้องใช้ปัญญาของเข้าถี่มันมีอยู่ในหัวใจของเขานะอในสมองของเขานะเขาก็ต่างสังเกต ศึกษาจากนั้นเขาก็ยอมรับในแนวปฏิปทาของเพิลนแนวถ้ำขําสอนของเพิลนจากนั้นเขาก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัติก็ได้รับความสบายอุกสบายใจแล้วก็เห็นแนวทางเพิลนภาปฏิบัติอบรมแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ภิกษุสัมมเน็นอุบาสกอุบาสิกาก็ยังพวกเล่าทันทั้งหลายได้รู้ได้เห็นน่ะ อันนี้หลวงพ่อเพียงแต่ยกย่องให้ฟังว่าคู่บาอาจารย์แต่และองค์เพิ่นกับพี่แน่วความคิดแนี่นำสังสอนพีนองประชาชนชัท่ายาดโย้มพระเน้นถึงอย่างใดยาประมาทเพิ่นหลวงพ่อเคยเบาให้พวกเฮาทันทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาวิธีการทามาหาเหลี้ยงชีพวิธีการหาเงินมันมีหลายวิธีองค์นึงก็หาจากหนึ่งองค์นึงหาจากหนึ่ง แต่ว่าบางองค์ก็หาทั้งมีทั้งพอถูกแม่นบอลถ้ำคาว่าถ้ำเนี่ยคำว่าถ้ำคํานึ่เนี่ยหาทั้งพอถูกบนมีดอกเอคำว่าหาถ้ำคำเนี่ยคือลักเกตุผลคือถูกต้องอคำว่าถ้ำว่าถูกต้องะคําว่าพิดเนี่ยบนมีดอกมิตรายิี ท, ทีจะได้อัดในถ้ำบนมีไปขาข้นหลายๆจะได้มักผลในผ่านเป็นไปพไดา อา้าเป็นอยังพระองค์ุลิมาตเนี่ยขาคนหลายอย่างในสำเร็จเพิ่นถอยทับเลยเพิ่นขาคนก็จริงยุอในช่วงที่มันเข่าใจผิดนะ่ะมันขาคนนะุอ้อแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายุศสมณญาธ ย, ยุศสมณ ย, ยนะุทธาตไหลพระพุทธเจ้าถือดาบไหลพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าว่าเราหยุดแล้วองค์กุลิมาต์เราหยุดแล้วเราหยุดเบียดเบียนแล้ว เล่ายุดทำลายคนแล้วเล่ายุดทำกรรมชั่วแล้วเล่ายุดแล้วที่มันชัวคิดชัวพูดชัวทำชัวแล้วเล่ายุดแล้วเนี่ยพระองค์ุลิมานได้ยินข่ำทำข้อสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นล่ะ ว, ว่างดาบเลยนะอือเล่าในยังทำความชัวี่จะว่ายุดใดจังไดโอ้ยุดมันยุดมาจากใจจริงๆฮนะนี่แหละอันนี้ก็คือ ท่านขาสอนทีพระพุทธเจ้าเป็นสอนพวกเฮาท่ันทั้งหลายเพราะนั้นพวกเฮาทันทั้งหลายว่าทําความซั่วเลยเออทําความซัวสุดๆแล้วจะได้ดีเป็นไปมอไดอันนั้นคือไปในทางนรกอเวจีไปชุดๆคือกันเฮาจะไปทางไหปัฮมันก็โค้งขอางมาหาธี่คุณแมชีแก้วว ล, ลี่คุณแมชีแก้วอะโลกในโลกหาได้อย่างที่วานี่ยแหละสินะ เออพวกเขาาา้าเสียหาหาหยั่งป่านนั้นพวกเข้าอย่าไปหานะไปอยู่ไซตก็ตามอ่อไปอยู่วัดว่าศาสนาใดก็ตามจะไปเป็นสงฆ์านใดก็ตามยาไปสาะสแสวงหาเรื่องอติเลขกรลาบอันนั้นทำออกนอกลูกนอกทางนะ่ะเป็นหนทางแห่งนรกเป็นหนทางแห่งความซัวให้ถึงจังใดก็ตามมีอยู่ไม่กินให้อยู่ในหลักพระธรรมปีใน ขันธว่าบุญวารสนาบารมีข้อเฮามีในอดีตชาติมันหังม้าเองมันตองวิโตกกลางวน้นมันไหลามาเองมันมาเองขันธว่าพกเฮาบริสร้างบุญบริธรรมบุญไวนะ้น่ะอย่าไปกระเสือกกระสนดินเทไรแห้งุกแห้งถล่มลงไปสู่นรกเอเวจีไปเรลยๆอไปคตไปโกงไปเบียดไปบงังไปทำความสั่วเสียหายหลอกลวงเขามันโมแมนแนวโมเมนแนว เรื่องของปลาขอให้พวกเข้าทางหลายซื่อสัตว์สุดจริตซื่อในรักถรมคําสอนซื่อจงรักพักดีต่อถรมคําสอนหลักเคารบในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพวกเข้าเดินตามเลยแล้วเข้าสบายใจเลยสบายใจได้มากได้น้อยก็บสบายใจบ่ทุกข์ใจบำเพ่ญไปเรื่อยๆบ่ถึงลอยปีเถอะต่างคนต่างตายระบาด าตายอะไรก็บภัยใดเท่าไรป่านหนฮ่งมือมือล่มขาดนะภัยใดกําไรเท่าไหรภัยขาดทุนจังใดมือนั้นแหละเป็นมือเช็คบินกันแหละท่านนากันพ่อไดเป็นพระทหารก็เป็นพนั้ น, นเป็นเศรษฐีในระดับเศรษฐีเป็นเศรษฐีสกุลไอ้ข่าวนี้ในอ้ข่างนี้่ขันว่าบทูทุกเศรษฐีก็ไปพร่ำกับเออออนุเศ<ม>รษฐีตัวมากกัน่ะ ขันนวขาดทุนอิหลีกันนะ่ะะทความสั่วเสียหายอันั่นตรริยกรรมหามาตุขาดปิตุขาดมาตุขาดอราหนตะขาดโลหิตตุบาททํารยุยงสงให้แตกกันอันนั่นตริยกรรมหาเ น, น, นะนี่นยรรพวกนี่นะ่ะลงสุดอ้ลงไปสุดๆุดอกันเนียว่าอเวจีมหานรกคนหนึ่งขึ้นนิพพานสูงส ขื่นสวรรค์สันฝาอั น, นพวกหนึ่งก็บล่งสุดเออเอาเวจีมหานรกอันนั่นตริยกรรมหามาถุกขาดปิดถูกขาดอรันตัขาดโลหิตตุบัตสังขเภษดูย่อมสูงให้แตกกันเนี่ยสิ่งเราเนี่ให้พวกเข้าเบิ่งจกของขึ้นกันะเราอยู่ในระดับไหนให้พวกเข้าเบิง่งเบิ่งจกของนะัออ่นฮะเฮาจูหุจักกันเบิ่งผู้อื่นบูหจักได้ ตาเบิงเจ้าของราจงหุจักนะเอาละพ่อเนืามาหนี้นะีเยบอกแนะ่ความคิดให้กับพวกเฮาท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา